เต่อตอนนี้จะได้บรรยายพระสูตรก็เห็นจะเอาพระสูตรใหญ่ที่เราถือว่ามีความสําคัญก็ได้แก่ธรรมจักรกบรวรตันสูตรคําว่าธรรมจักรกบรวัตันสูตรเป็นพระสูตรที่เหมือนกับล้อแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงหมุนไปในครั้งแรก ที่อิสิปตนะมริกธาญวันใจความในตอนต้นของพระสูตรก็ขึ้นด้วยคำว่าเอวเมสุตังเหมือนกันที่แปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าคือพระอนนทเทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปตนะมริกธาญวันแฝงเมืองพาราณสี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สั่งเรียกภิกษุปัญจวัคคีให้ข้าวมารฝว้าแล้วก็ได้เริ่มแสดงพระธรร ม, มเทศนานี้ก็เป็นข้อความในตอนต้นออมีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจอยู่บางประเด็นคือคำว่าอิสิปตนะมรุกธายวันคำว่าอิสิปตนะมรุกธายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ และเป็นที่ตกไปแห่งฤาษีมีประวัติความเป็นมาโดยสรุปว่ามีพระยาเนื้ออยู่สองตัวชื่อชื่อพญาเนื้อนิโครธและพระยาเนื้อสาขะก็มีบริบาลฝ่ายละ500พระเจ้ากรุงพาราณสีปรารถนาที่จะล่าเนื้อมาเป็นอาหารก็เกณฑ์ราษฎรไปล่าเนื้อกัน ทำให้ราษฎรไม่มีเวลาทรมาหากินราษฎรจึงพร้อมเพรียงกันต้อนเนื้อมากักไว้ในบริเวณหนึ่งเมื่อถึงวันพระชาก็เสด็จไปยิงเนื้อด้วยพรุงเองแต่ว่ากว่าจะยิงถูกมันก็มีเนื้ออื่นพอยล้มตายเข้าไปด้วยพวกเนื้อจึงเปลี่ยนเวรกันเข้ามาเพื่อให้พระราชาฆ่าได้ง่าย คือว่าก็ตายกันทีละตัวเลยต่อมาวันหนึ่งก็ถึงเวรของเนื้อซึ่งเป็นบริวารของพญาเนื้อสาขาก็กำลังมีคันแก่ก็ไปขอปัดเปลี่ยนวาระกับเนื้ออื่นแต่พญาเนื้อสาขาก็ไม่ยอมจึงมาติดต่อในสำนักของพญาเนื้อนิโครดพญาเนื้อนิโครดจึงยอมไปตายแทนเอง แต่ว่าเนื่องจากพญาเนื้อทั้งสองนั้นได้รับอนุมัติพิเศษจากพระราชาไม่ให้ฆ่าโปรงจรึงไม่ฆ่าแล้วก็เมื่อทราบข่าวว่าเป็นการเสียสละตนเองเพื่อช่วยเหลือแม่เนื้อลูกอ่อนประราชาก็เกิดเดื่อมใส่ในเนื้อพญาเนื้อนิครดจึงให้พรแก่สัตว์ทั้งหลายว่าให้แก่เนื้อทั้งหลายว่าต่อไปนี้ไปจะไม่มีการฆ่าเนื้อในบริเวณนี้ พราเนื้อนิโครจึงขอพอรเพิ่มเติมคือแก่สัตว์และนกทั้งหลายด้วยซึ่งประราชาก็พระราชทานให้ปัจจุบันสวนนี้ยังชื่อ่าษารณนาฏแปลว่าเป็นที่พึ่งของกวางที่น่าชจานใจก็คือว่าเป็นพระบรมราชองค์การของกษัตริย์โบราณมากแต่ว่าคนในยุคปัจจุบันนี้ยังถือปฏิบัติกัน ใครจะไปยิงนกล่าสัตว์ในบริเวณนี้ไม่ได้ปัจจุบันก็ยังมีกวางมีอีเก้งมีละมั่งมีเนื้อสายมีสัตว์อยู่มากเกินแล้วก็คนก็เข้าไปชมได้ให้อาหารได้แต่ไปรังแก่ไม่ได้นี่เป็นลักษณะดเด่นอ ย, อย่างหนึ่งของสังคมอารยันซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นยุคเป็นสมัยที่อาจพูดได้ว่าเป็นยุคทองของศาสนา คือประชาชนเองถึงแม้จะไม่มีศาสดามาสั่งสอนก็มีจิตใจโน้มน้อมไปในทางบุญทางกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าประการเนี่ยก็มีการเผยแพร่มีการสั่งสอนมาก่อนจนกลายเป็นธรรมของมนุษย์ในยุคนั้นเรียกว่ากุรุธรรมคือเป็นหลักปฏิบัติไปเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องไปสมาทานศีลไปรับศีลอะไร ประชาชนถือเป็นหลักในการปรพิพฤติปฏิบัติแล้วก็แนวความคิดในการมีอุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนก็เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณในการป่านี้จึงได้ชื่อว่าอิสิปั ต, ตน ะ, ะชื่อว่ามรุกขายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อทีนี้อิสิป ต, ตนะที่แปลว่าเป็นที่ตกแข่งหรือีเนี่ย มันก็มีนิทานอยู่สองเรื่องคือเรื่องที่ท่านเล่าไว้ เ, เ, วเนี่ยมีอยู่สองตอนด้วยกันสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกบอกว่าพระปจเจกพุทธเจ้าประมาณ500รูปได้เหาะลอยมาแล้วก็มาถึงกำหนดอายุท่านนิพพานทางก็นิพพานบนอากาศร่ากายก็ตกลงมาในที่นั้นเรียกว่าเป็นที่ตกแข่งหรือสี คือร่างเขาฤาษีตกลงมาจากอากาศแต่ในความหมายหนึ่งท่านเล่าว่ามีฤาษีซึ่งได้พิญญาก็อลอยมาในอากาศได้ยินเสียงตะีร้องเพลงแล้วเกิดกำหนัดในเสียงนั้นก็ฉานเสื่อมแล้วก็ตกลงมาแต่ว่าไม่ใช่ตกแบบปุบ ป, ปับแต่เป็นการตกท่านบอกว่าคล้ายๆกับสำลีที่ร่วงหล่นลงมาจากอากาศก็ไม่ถึงก็เป็นอันตราย จากเรื่องสองเรื่องนี้ก็มีข้อที่ควรทำความกระจายนต่อไปอีกช่วงหนึ่งว่าพระบาเจกพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าท่านจะเกิดขึ้นแล้วก็จัดสรุในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่และไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่อาศัยบา ร, รมีในผลหลังที่ท่านได้สร้างสงบรมมา ก็ตามประวัติหลักฐานต่างๆเท่าที่คนพบนั้นก็บอกว่าปรารถนาความเป็นพระพ เ, เ, เจ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าเนื่องจากไม่มีคําสอนไม่มีพระพุเทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนตัวคําสอนเองก็ไม่ปรากฏสิ่งที่กระตุ้นบา ร, รมีของท่านจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่คนเราคิดไม่ถึงแต่ว่าท่านเหล่านั้นท่านคิดของท่านได้อย่างที่ท่านเล่าถึง พระปะเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเป็นพระราชาก็เห็นนางทาสีเดินสวมกำไลสวมกำไลสองข้างเวลาเดินกำไลก็กระทบกันท่านก็เกิดได้แนวความคิดว่าการอยู่ร่วมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั้นโอกาสที่จะสงบมันก็มีไม่ได้เหมือนกับกำไลถ้าอยู่ข้างเดียว มันก็อยู่โดยอิสระไม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่พอมีสองข้างขึ้นมามันก็มีเสียงดังแล้วท่านก็สรุปแนวความคิดว่าคนเราควรจะเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรกคือไม่มีคนอื่นเป็นที่สองแล้วท่านก็พิจารณาบรรลุมรคลไปหรือบางองค์ก็ไปเห็นสัตว์แต่แย่งเนื้อกันคือนกไปแย่งไอชิ้นเนื้อกันนกสองตัวกาลังแย่งกัน และในที่สุดไอ้เนื้อชิ้นหนึ่งไอ้ชิ้นก็หล่นลงมานกอีกตัวหนึ่งก็ไปโฉบจิกไอ้นกสองตัวก็พุ่งเข้ามาหาตัวที่มีเนื้ออยู่แล้วในที่สุดก็ไล่ตีกันจนเนื้อเละไปหมดเลยแต่ท่างก็มองเห็นว่าไอ้วัตถุกรรมทั้งหลายที่ชาวโลกใคร่ที่ชาวโลกปรารถนาพอใจกันนั้นเป็นลักษณะของสมบัติที่ผลัดกันเชยชุม่มแล้วในที่สุดต่างคนต่างก็ไม่ได้อะไรไปในขณะที่ต่อสู้ยื้อแย้ง เพื่ได้มาทั้งสิ่งเหล่านั้นก็มีการประหัรประหารมีการทํำลายล้างสร้างบาปสร้างกรรมกันเป็นนั้นมากพอเอาก็จริงแล้วต่างคนต่างก็ไม่ได้ครอบครองอย่างแท้จริงแต่ท่านก็พิจารณาเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตไปเจริญวิปัสสนาไปเสดื้อๆ อ, อย่างนั้นเองเลยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบารมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันยากการมองโลกในจุดเดียวกันแต่ว่า คนเรามีบารมีไม่เหมือนกันมันก็มองได้ไม่เหมือนกันพระปเจกับพระเจ้าแต่ละพระองค์บางครั้งก็มองต้นไม้ต้นมะม่วงสองต้นต้นหนึ่งมีลูกมากต้นหนึ่งไม่มีลูกต้นมีลูกมากก็มีคนเบียดเบียนมีคนหักกิ่งมีคนคว้างปามีคนขึ้นปีนป่ายรบกวนไม่มีที่สิ้นสุดต้นไม่มีลูกก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านก็มาพิจารณาเห็นถึงรูปของชีวิตว่ามีลักษณะเช่นเดียวกัน คือถ้ามีอะไรๆมากๆก็เป็นที่รบกวนวุ่นวายของคนอื่นแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีใครรบกวนนั้นในที่สุดท่านก็ออกบวชเป็นต้นเรื่องราวเหล่านี้ท่านเล่าไวไ้ในสุตตนิบาตเป็นหลายสิบเรื่องในการป ร, ร, ระมาณ40กว่าองค์เป็นการเล่าถึงแนวความคิดที่ทําให้ท่านเหล่านี้ออกไปเป็นพระปัเจกับพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นแนวจากการมองสิ่งธรรมดาธรรมาที่เราก็ยินเห็นกันอยู่เนี่ย แต่เราไม่มีบารมีมากพอเรามองไม่เห็นซึ่งลงไปขนาดนั้นแต่ท่านท่านมีบารมีท่านมองเห็นของท่านอย่างยกตัวอย่างว่าบารมีของคนระดับที่จะเป็นพระอระหันต์จะยกตัวอย่างพระจุลปันทุกเถระเนี่ยนั่นก็มองธรมธรมดาธรรมดามองผ้าเช็ดหน้าที่ท่านมานั่งมาขยำจน เ, ออเปื้อนเหงื่อของท่านแล้วก็กลายเป็นผ้าดา เรตั้งก็มาพิจารณาดูความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายว่ า, าทําให้ผ้าซึ่งมันขาวสะอาดอยู่เนี่ยแบดเปื้อนไปได้แล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นความปฏิกูลมากยิ่งขึ้นก็มองไปในที่อื่นมันก็ปฏิกูลเหมือนกันแล้วก็เจริญวิปัสนาบารรลุอรหันไปนี่ก็คือเรื่องของบารมีคือการเก็บการสะสมความดีเอาไว้ของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้มองอะไรผิดจากสามัญชนไป ที่จริงสิ่งที่ท่านนำมามองมันก็เรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใด้พิเศษอะไรแต่ว่าตัวบา ร, รมีของท่านไม่ธรรมดาเท่า น, นั้นเนองอีกประการหนึ่งก็คือที่ว่าฤาษีตกนะฮะฤาษีที่เหาะลอยลงมาแล้วก็กำหนัดในเสียงตกสมาธิระดับที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยแนวที่เราปฏิบัติกันที่จริงมันก็มีแนวมาก่อนพุทธกาลนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็นำมาจัดรูปแบบ ในการปฏิบัติโดยมุ่งไปที่ให้สงบนิวรณตั้ง5ประการอย่างที่ทราบกันคือสองบจากความคิดในเรื่องรักใคร่พอใจในเรื่องอาฆาตพยาบาทความง่วงเงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็ความลังเลสงสัยที่เราเรียกว่านิวรณแต่ว่าระดับของชานเนี่ยเอาค็จริงแล้วมันเป็นการกดทับนิวรณไว้ฐานั้นเองคือแกพร้อมที่จะเสื่อม ถ้าหากว่าอารมณ์ภายนอกมากระแทกกระทันรุนแรงแกก็พร้อมที่จะเสื่อมได้อย่างพวกฤาษีชีไพรที่เราพบในตำนานต่างๆบางคนได้อิทธิฤทธิ์บางคนได้ภิญญาที่เป็นโลกิยะมีฤทธิ์มีอำนาจมาแต่ก็เสื่อมเสื่อมจากอารมณ์ที่รู้สึ ก, กว่าสังเกตง่ายนี่เสื่อมจากอารมณ์อันเป็นที่รักใคร่พอใจกับอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความโกรธคือนิวรณ์สองตัวแรกนะฮะ ตามชันกับพยาบาทเนี่ยรู้สึกว่าจะทำให้ท่านเสื่อมได้เร็วมากเนื่องจากกิเลสมันไม่ได้ขาดไปจริงๆแต่ว่าเป็นความสงบเอ่อตาหากว่าอารมณ์ภายนอกไม่มีอะไรกระแทกกระทานแดงแรงแต่กิเลสมันก็ไม่ได้ฟูขึ้นหรอกลักษณะของจิตท่านผู้ได้บรรลุฌานมันก็เหมือนกับผาชนะน้ำที่ออกจอโตพอสมควรนะเช่นว่ามีตุ่ม ตุ่มน้ําแต่ก็มีตะกอนอยู่ภายในแต่ถ้าใครไม่ไปกระแทกแรงไอ้ตะกอนมันก็ไม่ขึ้นมาหรอกแต่ตะกอนก็มีอยู่นะพอถูกกระแทกแรงเข้าตะกอนก็ขึ้นมาแล้วก็ทําให้น้ํานั้นไม่สามารถที่จะดื่มได้บริโภคได้จิตใจของท่านที่บรรลุฌานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นั้นในแง่ของาศาสนาเราถือว่าเรื่องสมาธิจึงเป็นบันไดท่านั้นนะครเป็นบันไดที่จะนําเข้าสู่ความส ง, งบอย่างแท้จริง แต่เราก็ยังถือว่ายังอยู่ภายใต้อํานาจของจิตอยู่เผือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าว่าไอสิ่งที่มาจากภายนอกมากระแทกกระทันแรงนี่เป็นความหมายที่ท่านอธิบายไว้ในต้นพระสูตรคือพระสูตรเวลายกขึ้นมาเนี่ยท่านจะอธิบายทุกคำเลยตอนใหม่ๆนะฮะพอตอนหลังๆไปคำที่ท่านเคยอธิบายแล้วท่านก็ไม่อธิบายท่านก็อ้างบอกให้กลับไปดูที่พระสูตรนั้นพระสูตรนี้ซึ่งเคยอธิบายมาแล้ว ต่อไปก็คือเรื่องของท่านปัญจวัคคีย์ท่านปัญจวัคคีย์คือนักบวช5ท่านด้วยกันที่บวชโดยเสด็จพระโพธิสัตว์เมื่อตอนเสด็จออกผนวชใหม่ๆโดยจริงๆและตอนท่านก็มีความฝังใจฝังใจอยู่สองเรื่องนะฮะฝังใจว่าเจ้าชายจิตถะนั้นจะต้องตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสด า, าเอกของโลก อีประการหนึ่งการสัตยรู้จะต้องมีได้ด้วยการทรมานร่างกายที่เรียกว่าทุกกรยกิริยาคือทําร่างกายให้ลําบากไอจากความปักใจสอสองอย่างนี้ทำให้ท่านบวชโดยเสด็จเจ้าชายติเตถะท่านหัวหน้าเองก็ทั้งคนทัญยะว่าที่จริงอายุก็ต้องแก่กว่าพระพุทธเจ้าไม่น้อยกว่า20กว่าปีนะฮะเพราะท่านจบตจเพศเปทางกษัตริย์แล้วแล้วก็มาเป็นพราหมณ์ซึ่งทํานายพุทธลักษณะในคราวนั้นด้วย เมื่อเจ้าชายจิตตธาธรมานพระวรากายอยู่ด้วยวิธีการต่างๆนั้นท่านก็ชื่นชมยิน ด, ดีแต่อาศัยความปักใจอย่างเดียวของท่านคือปักใจว่าจะต้องบําเพ็ญทุกข ก, กิริยาเท่านั้นจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าคือเอาไว้ทุกขะไอ้ทุกขกรกริยาการธรรมานร่างกายเนี่ยไปผูกพันไว้กับการจัดสรุปคือหมายความว่าถ้าจะจัดสรุปต้องธรรมานร่างกายถ้าให้ธรรมานร่างกายต้องไม่ได้จัดสรุป คือไปผูกเอาไว้เป็นสองเงื่อนอย่างเงี้ยเพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าทรมานพระวรากายครั้งสุดท้ายนี่สาหัสมากนะฮะผ่อนกลั้นพ่อนเสวยพระกยาหารลงไปในวันละน้อยจนในที่สุดไม่เสวยเลยพระาทิปรากฏทั่วพระวรากายพระโลมานี่เอามือไปรูปมันก็ร่วงหล่นลงมามีรากเน่าแล้วก็จะเสด็จไปไหนก็ส่วนลมจนในที่สุดล้มสลบไปท่านบนัญวัคคีก็นั่งดูกันทั้ง5ท่าน มองด้วยความชื่นชมเพาะจนสัตสรูแล้จวจนสัตสรูแล้วเท่านั้นเองแต่คนจะตายแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดอะไรพอดีก็มีเด็กเลี้ยงแกะมาเอาน้ำนนประยอดที่ประโอษช่วยไว้นะฮะตาไม่งั้นก็คงจะไม่มีพระพุทธเจ้าท่านปัญจวัคคีย์ท่านก็นั่งมองด้วยความชื่นชมเพราะความปักใจอย่างที่ว่าเนี่ยคือเอาไปผูกพันไว้เป็นสองเงื่อนด้วยกันเมื่อเจชาติตตะพิจานาเห็นว่าไม่ใช่ทางสัตสรูแล้วก็เปลี่ยน เปลีนมาบำเพ็ญทางใจท่านโกรธมากเลยผิดหวังอย่างแรงทงั้งๆที่ตัวเองก็เป็นราษฎรในกลุ่มราษฎรกลุงกบินลพัทนะฮะมีความผูกพันอยู่ทั้งสองชั้นเป็นราษฎรใน ก, กรุงกบินลพัทแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่พอบทจริงๆแล้วท่านโกรธแรงมากจนทิ้งพระโพธิสัตว์แล้วก็ลงไปอยูออ่ขึ้นไปอยู่ทางเหนือนะฮะถ้ากิระยะทางรถไฟปัจจุบันก็200กว่ากิโลก็ไม่เบานะ พูดถึงสมัยนั้นก็เรียกว่าตัดเป็นตัดตายกันเลยทีเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั้นท่านมีความรู้สึกขัดแยงแรงมากก็คิดแต่ว่าพระองค์หมดหวังที่จะเป็นพระพุทธเจ้าความเชื่อว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามันก็คลายลงไปเพราะพระพุทธเจ้าเพราะพระโพธิสัตว์มาเลือกบําเพ็ญในทางทุกขกิรยิยาในใน ท, นทางจิตอาการบําเพ็ญทางจิตนั้นเป็นการปฏิติประต่อนะ เป็นการปฏิทิตระต่อแนวหลักปฏิบัติที่มีอยู่ในสมัยนั้น่ท่านที่เคยอ่านพุทธประวัติคงจะนึกออกนะว่าอนาปานสติที่เราปฏิบัติเนี่ยพระพุทธศาสนาก็เริ่มทำมาตั้งแต่ประจนมยุจเจ็ขวบที่ต้นจิกซึ่งที่ต้นว่าตอนพิธีวัปปะมงคลแรกนาขวัญ น, นะคือเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็สามารถนั่งกรรมฐานระยะเดียวบรรลุปฐมฌานได้เลย แสดงว่าบารมีนั้นก็สูงเป็นพิเศษแต่ว่าต่อมาก็เลิกไม่ได้เจริญฌานต่อเมื่อไปเรียนในสำนักอุทกดาบทอร า, าดาบทกาลามโคอุทกดาบทรามุตรก็ปฏิบัติต่อไปจนถึงอรูปฌานซึ่งเราก็นำมาใช้ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันในฐานะที่เป็นบรรดทธรรมเพื่อจะนำไปสู่การเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาการหตามประสหลักต่อไป จากการปฏิบัติแนวนี้ท่านปัญจวคี์ท่านไม่เชื่อเพราะงั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตาสรู้แล้วก็สเสด็จมาเยี่ยมท่านจึงไม่ยอมรับแต่พระองค์ก็ได้แสดงให้ท่านยอมรับในที่สุดโดยเสนอให้คิดนะฮะว่าไอ้คำเนี้ยคำว่าเราจะสรู้อมริเตธรรมแล้วมาเพื่อจะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายนี่เคยพูดไหมปัญญวคีท่านก็จำนนว่า พระพุทธเจ้าไม่เคยรับสั่งเพราะดํารัตนี้แต่ว่าใจท่านเองก็ยังไม่มั่นใจอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบตอนวันขึ้น14ข้า่ําเดือน8แต่ว่าไปแสดงธรรมตอน15ข้ามเดือน8ตอนเย็นเาแสดงว่าปล่อยให้ท่านต่อสู้กับความจริงไม่จริงจริงไม่จริงอยู่เนี่ยก็ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการแสดงธรรม งองสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้านี่คือรอคอยความพร้อมถ้าคนไม่พร้อมที่จะฟังจะไม่เทศจะมีลักษณะขัดเกลาวด้วยธรรมะที่เราเรียกว่าปกินกะเทศนาคือพูดเรื่องอื่นไปก่อนจนแน่ใจว่าคนฟังอยู่ในสภาพพร้อมแล้วพระองค์ก็จะเริ่มแสดงธรรมเมื่อรอคอยปัญจวัคี์พร้อมก็เริ่มแสดงธรรม การแสดงธรรมคราวนั้นเราถือว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีลักษณะที่ท้าทายพอสมควรเพราะอะไรเพราะเข้าถึงก็ตีตีจุดใหญ่ในความเชื่อถือซึ่งปักใจกันมากในสมัยนั้นคือในสมัยนั้นเขาเชื่อเรื่องโมกษะคือความหลุดพ้นแต่ความหลุดพ้นของเขานี่ก็ไม่แน่หรอกคืออย่าง พวกแนวของพราหม์ก็หลุดพ้นของของก็คือการเข้าไปอยู่รวมกับพระพรหมที่เราเรียกว่าพรหมมันมีลักษณะแบบศาสนาเทวนิยมในปัจจุบันเนี่ยคือไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าอีกแนวหนึ่งก็คือว่าจะไปอยู่เมืองอีกเมืองหนึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเมืองแก้วก็ไปอยู่เป็นสุขชั่วนิรันดรนะฮะแต่แนวความคิดนี้ในเมืองไทยเรารับมาแย้มเหมือนกันเราก็ชักชอบนิพานที่เป็นเมืองแก้ว ก็ อ, อยากจะไปนิพานก็อยากจะไปนะฮะแต่เสียดายว่าจะไม่ได้เกิดอีกก็เลยก็สร้างนิพานเกิดเป็นเมืองแก้วเพื่อจะได้อยู่สนุกสนุกชั่วนาตาปีนะฮะคือโดยเราไม่ได้คิดอีกมุมหนึ่งว่าในการอยู่สนุกชั่วนาตาปีนะมันอยู่ได้ยังไงคนเราอ า, อาจจะอยู่ได้คล้ายๆกับเราอ่อนเพลียเราอยากนอนนะฮะแต่เรานอนตลอดไปได้หมายมันก็ไม่ได้นั่งตลอดไปก็ไม่ได้ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันก็อยู่ไม่ได้อยูเดีย เลยอีกอย่างหนไอ้ลักษณะอย่างเงี้นมันก็เป็นสังขารน่ะเมื่อเป็นสังขารพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะงั้นเมื่อเป็นสังขารมันก็ไม่เที่ยงลักษณะนิพพานในความเชื่อถือสมัยก่อนจึงมีอยู่สองแนวอย่างนี้แต่ก็มันไม่เที่ยงทั้งสองแนวก็ยังตกอยู่ในวจลักนษพานนั้นอยู่นอกอนิจจังทุกขังนะฮะแต่ว่าเป็นอนัตตาในความหมายของศาสนานี่ยพระพุทธเจ้าเริ่มแสดงคราวแรกก็ คือแนวที่จะเข้าถึงนิพพานก็มีอยู่2แนวเหมือนกันนะฮะแนวแรกก็คือการทรมานร่างกายทรมานร่างกายให้ได้รับความสาหัสที่สุดเลยเจ็บปวดรวดร้าวมากเท่าไรแล้วก็รู้สึกว่าจะจะได้บรรลุนิพพานมากขึ้นเท่านั้นอย่างนิพพานของศาสนาเชนในศาสนาเชนเวลาเขาจะนิพพานมันก็ง่ายนะฮะว่าที่จริงก็ทาง่ายก็ไม่มีอะไร กำหนดวันนิพานแล้วก็ไปนั่งไม่ไม่ไม่กินข้าวกินปลาไม่ขับไม่ถ่ายไรนั่งอย่างนั้นะฮะปเดี๋ยก็เหี่ยวตายไปเองธรรมดาง่ายๆน ะ, ะก็ใครก็นิพพานได้โดยถือว่าต้องทรมานร่างกายให้เจ็บปวดให้มากที่สุดเพื่ออะไรฮะคือเ็ามีแนวความคิดว่าไอ้จิตนี่มันไม่ถูกขังอยู่ในกรงคือกายวิธีที่จะแก้ให้จิตเป็นอิสระก็คือทาลายกรงขังคือจิตออกมาให้ได้ แต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกะฆ่าตัวตายนะแต่ทรมานร่างกายระรับความลำบากเพื่อจิตจะได้เป็นอิสระแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าไก่วันก็มีลักษณะเป็นเมืองแก้วอย่างที่ว่าเนี่ยอีกแนวหนึ่งนั้นก็คือการแสวงหาความสุขทางโลกิยรมณ์ทางายคือพยายามตอบสนองความต้องการของตนแสวงหารูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีๆรสดีๆสัมผัสดีๆหอย่าง5อย่างนี้เพื่อให้มีอารมณ์เลิศแล้วก็เขาถือว่า เป็นบรมมาสุขในชีวิตแล้วปัญญวคัคีเองท่านก็ปักใจสองแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าท่านปักใจในแนวทรมานร่างกายมากพระพุทธเจ้าเองก็เคยทดลองมาทั้งสองแนวเหมือนกันก็เห็นว่าไม่ได้เรื่องทั้งสองแนวแล้วในที่สุดก็เริ่มเริ่มตีตรงจุดใหญ่เลยนะถ้าตีตรงนี้แล้วเกิดว่าท่านปัญญวคีไม่ไม่สามารถบรรลุมรคลได้คราวนั้นนะฮะก็คงจะเทศต่อไปไม่ได้แล้วแต่ว่าพอดีเทศแล้วก็ได้ผล ก็ขึ้นถึงนเวเมพิกเวอันตาปปะปิจเตนะนเสวิตตบาก็ทรงแสดงว่าดวงกอรภิกษุทั้งหลายที่สุด2 อ, อย่างอันบัตประชิตไม่ควรเสพคือได้โปรดเข้าใจนะว่าพระธรรมเทศนาการนี้แสดงแก่พระแสดงแก่นักบวชและตัวนักบวชนั้นบวชมุ่งมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะเพราะฉนั้นธรรมเทศนาจึงเป็นการแสดงแก่นของความจรงิงในแง่ของสัจธรรมคือความจริงที่แท้จรงิงไม่ใช่เป็นความจรงิงชั่งสมมติ ฟังบางอย่างสําหรับชาวบ้านก็รู้สึกว่าอาจจะฝืนใจไปหน่อยคือรู้สึกว่าจะตัดตนเองออกไปรวดเร็วเกินไปนะแต่เราก็ต้องดูว่ามีพระประสงค์ในการแสดงธรรมะอยู่ในจุดใดแล้วก็แสดงแก่ใครมีวัตถุประสงค์อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุด2 อ, อย่างนั้นก็คือมีลักษณะที่หย่อนเกินไปกับตึงเกินไปการทรมานร่างกายเนี่ยมันก็ตึงเกินไป เพราะ อ, อะไรเพราะว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันนะฮะถ้ากายกระสับกระสายคือกายมันทุกข์ทรมานมากเกินไปใจก็จะกระสับกระสายเอใจก็จะกระสับกระสายด้วยกระทั่งเรา nang กามฐานน่ะทรมานจนเน็บมาถึงสเซลไม่รู้สึกตัวและยังคืนนั่งอยู่นี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใจมันก็สงบไปได้เพราะว่าทรมานมากเกินไป วิธีนั่งกรรมฐานจึงมีการผ่อนคลายไปเช่นว่านั่งแล้วเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาก็เดินเดินก็ยืนยืนก็นอนก็ใช้อิาลียบทได้ทั้ง4ไม่ใช่ว่านั่งอิรลียบทเดียวเพื่อให้กายกับจิตสามารถทำงานสัมพันธ์กันได้ตือกายก็ไม่ทุกข์ทรมานเกินไปแล้วก็ใจก็พร้อมที่จะสงบได้การทรมานร่างกายในลักษณะนี้ทรงแสดงว่าเป็นทางที่ไม่ควรเสพ แล้วกับไอ้ย่อนเกินไปนะฮะแบบสายพินที่ตึงที่ขึงหย่อนๆนะมันดีดแล้วไม่ดังไอ้ประเภทแรกดีดแล้วขาดประเภทที่2ดีดแล้วไม่ดังก็ส่งแสดงว่าเป็นทางไม่ควรเสพเนวากามาสุขานิกานุโยโ ค, โคคือการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในเรื่องนี้คือให้ความสําคัญแก่รูปแก่แกเสียงแก่กลิ่นแกร่รสแก่แกแกแสัมผัสที่ใจเรากาําหนดว่ า, าน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจคือคื อ, คอมุ่งมั่นอยู่กับ ความเพียรพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตนในด้านนี้ด้านเดียวทรงให้เหตุผลไว้ห้าข้อด้วยกันนะฮะประการแรกทรงใช้คําว่าเป็นของต่ําซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะเนี่ยมันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โล ก, ท, กทุกชนิดนะฮะมันก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแสวงหารูปแสวงหาเสียงแสวงหากลิ่นแสวงหารส สแสวงหาสัมผัสที่ตนพอใจเหมือนๆกันแต่ว่ามนุษย์เรานั้นก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาในทางดีขึ้นหน่อยคืออยู่ในระบบมีกฎมีเกณฑ์ขึ้นไม่ถึงกับไปเบียดเบียนประทุษร้ายในการสแสวงหาแต่บางครั้งก็ไม่แน่เหมือนกันก็ลดระดับความระพฤติลงไปมีการประทุษร้ายมีการแย่งกันมีการปราดประหารกันเพื่อได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตนพอใจรักใคร่ ทรงแสดงว่าเป็นของต่ําคือมันสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็เป็นเหตุตั้งบ้านเรือนคือเป็นเป็นเรื่องของชาวบ้านในแง่ของชาวบ้านนั้นจะทรงแสดงไว้อีกระดับหนึ่งนะฮะคือเพื่อเป็นการครองเรือนครองสุขแสดงไว้ในระดับหนึ่งแต่ก็หมกมุ่นมัวเมงไม่ได้เหมือนกันถ้าหมกมุ่นมัวเมาก็มีอันตรายมีปัญหาเกิดขึ้นจากการครองเรือนเช่นเดียวกัน แล้วก็โพธุชนิโกเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาคือกิเลสจะต้องหยาบในเรื่องเหล่านี้ถ้าว่าไปให้ความสําคัญแก่สิ่งนีซง้ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แตไ่ไอ้พวกเนี่ยพวก5อย่างที่ว่าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผัวตภะเนี่ยบางครั้งมาเป็นความประณีตในด้านจิตใจคนเหมือนกันเช่นบางครั้งบางคราวพวกไปเล่นที่ดินอะไรทอะไรเนี่ย เล่นที่ดินมันก็จิตใจก็หยาบก็เล่นรถนะฮะพวกเล่นรถก็หยาบกาเล่นไอเครื่องลายครามฮนะพวกเล่นลายครามมันก็หยาบกับพวกเล่นพระเครื่องอะไรเนี่ยเรื่องความหยาบมันผิดกันแะยะจิตใจเนะ่ยแต่สรุปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสคือเป็นโพธิชนิโกเป็นเรื่องของคนมีกิเลสแล้วอนัต t h เป็นอนัตโยมไม่ประเสริฐนะฮะ อย่างที่รู้กันว่าสมบัติที่เป็นโลกิยะทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของสมบัติที่ผลัดกันเฉยชมดังกล่าวมันเหมือนกับเงินทองอย่างที่เคยอุปมาให้ฟังนะฮะคือมันก็ไม่ใช่ของใครแต่ว่าผ่านมือใครคนนั้นก็จ่ายผ่านมือใครคนนั้นก็จ่ายและในที่สุดมันก็ต้องตกไปอยู่ในมือคนอื่นคนอื่นก็ตกในมือคนอื่นแล้วในในที่สุดเราก็ต้องชิ้งไปทั้งหมด สิ่งเหล่านั้นจึงไม่ใช่ประเสริฐอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้นะฮะในชั้นนี้เป็นการแสดงธรรมะชั้นสูงเท่านั้นชั้นต่อไปก็คือไม่มีประโยชน์ประโยชน์ในความหมายนี้ก็หมายถึงว่าประโยชน์อย่างยอดยิ่งเพราะเป็นพระธรรมเทศนาชี่มุ่งผลจากการฟังว่าผู้ฟังจะต้องอย่างน้อยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระยะปุคพน นี้ก็ให้เหตุผลไว้ว่าพวกกามคุณทั้งหลายนะคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเนี่ยที่น่าใคร่ยน่าปรารถนาน่าพอใจนั้นถ้าหากว่ามัวเมาหมกมุ่นมากเกินไปก็เป็นทางที่ไม่ควรเสพแต่โดยเฉพาะบัพปชิดเนี่ยก็ไม่ควรเสพไปเลยแล้วข้อต่อไปก็เป็นทางที่ไม่ควรเสพอีกสายหนึ่งก็คืออัตกิลามาฐานุโยก แปลว่าการทําตนให้ได้รับความลําบากด้วยประการต่างๆคือการทรมานร่างกายนะฮะอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทรมาน3ามวาระก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีเนี่ยวิธีแรกก็อาพระทนกับพระทนมากดการเอาฟันกับฟันมากดการแล้วลิ้นดันเพดานนะฮะลองทําดูสักห้านาทีลองดูเอาฟันกับฟันมากดการแล้วลิ้นดันเพดานเอาไว้เป็นวันๆนะทำมาอย่างเงี้ยจนทําให้ปวดทรมานร่างกายมากเลย ปรวาราที่สองก็ผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกอั้นลมหายใจไว้จนมีเสียงดังอู้ออกจากช่องประการทั้งสองปวดประเสียนเสียดปูธรร้อนในประวรกายปวาราที่สก็อดพระกยายหารอย่างที่ว่านี่เราจะเห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มันสร้างความทรมานให้แก่ร่างกายทั้งหมดท่านบัญจวัคคีย์ท่านก็เห็นพระท่านก็เคยทำพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงสแสดงเหตุผลสอย่างนะฮะอ น, น, นุอ น, นุท่าอย่างอันนี้สามอย่าง ยานที่แรกก็คือทุกข์โหททำให้เกิดความทุกข์นะทุกข์ในที่นี้คือทุกขเวทนาเลยนะความเจ็บปวดรวดราวความทุกขทรมานต่างๆที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็อนัตติโย ค, คือไม่เป็นของพระอริยะหรือไม่ทำให้คนเป็นพระอริยะกับอนัตตสานิโตคือไม่มีประโยชน์เหมือนกันอย่างเงี้ยจนเสียงจนทาให้ อ, อ ปวดทรมานร่างกายมากเลประวัราที่สองก็ผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกอั้นลมหายใจไว้จนมีเสียงดังอู้ออกจากช่องประการทั้งสองปวดประเสียนเสียดปูธรร้อนในประวรากายราชที่สก็อดพระกระยาหารอย่างที่ว่าเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มันสร้างความทรมานให้แก่ร่างกายทั้งหมดท่านปัญจพัคีท่านก็เห็นพระท่านก็เคยทำพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุผลสามอย่างนะฮะ อ น, นุนอนุนห้5อย่างอันนี้3าอย่างอย่างที่แรกก็คือทุกข์โหททำให้เกิดความทุกขนะ์ทุกข์ในที่นี้คือทุกขเวทนาเลยนะคะความเจ็บปวดรวดราวความทุกข์ทรมานต่างๆที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็อนัติโยคือไม่เป็นของพระอริยะหรือไม่ทำให้คนเป็นพระอริยะกับอนัตาสานิโตคือไม่มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ในตอนต่อไปก็สงแสดง หลักที่ทรงจัดสรูหลักที่ทรงจัดสรุนั้นทรงใช้คําว่าจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสมบูทายะนิบานายะสังวัตตินะจักขุกรณีคือทำจักสุทำดวงตาเนี่ยให้เกิดขึ้นสิ่งที่พระองค์จัดสรูเนี่ยเป็นทางสายกลางคือไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปเมื่อปฏิบัติแล้วทำจักขุคือดวงตาให้บังเกิดขึ้นคำว่าจักขุนั้น โดยความหมายในศาสนาท่านแสดงเป็น5อย่างนะฮะ จ, จักสุจักสูแรกก็คือจักสูธรรมดาเรียกมังสะจักสูจักสูที่2ก็คือปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาปัญญาในชั้นสูงนั้นหมายถึงว่าปัญญาที่สามารถมองเห็นความเกิดดับของนามารูปได้แล้วก็สามารถแยกย่อยนามารูปออกไปว่าสักแต่ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มาประชุมกัน บางครั้งก็ย่อยออกไปเป็นอาการสามิบสองบ้างเป็นธาตุสีบ้างเป็นธาตุกบ้างก็แล้วแต่จะย่อยได้ขนาดไหนแต่ว่าเป็นความรู้ความเห็นประเภทที่มันเกิดผุดขึ้นและละกิเลสได้ไม่ใช่เป็นความรู้ความเห็นระดับระดับการเรียนหรือการท่องจำเอ า, เอาจากสู่ประการที่3เรียกว่าทิพจักษุคือตาชิพนะฮะตาทิพเนี่ยอุปมาเหมือนอะไรนะอุปมาเหมือนกับโทรทัศนะ์ะคือ โดยปกติมันก็มองไม่เห็นอะไรอ่ะต่ต้องเปิดเข้าแล้วก็ต้องหมุนช่องให้มันตรงกับคลื่นที่ก็ส่งมาแล้วก็จะเห็นได้ลักษณะ ข, ของทิประจักษรนั้นก็หมายถึงว่ามันมีเห็นสองอย่างนะฮะแล้วก็เรียกสองอย่างอย่างหนึ่งถ้าเห็นดูสัตว์ตวโลกทั่วๆไปพระพุทธเจ้าจะทรงส่วนดูสัตว์ตวโลกที่มีอุนิสัยบารมีซึ่งจะ สามารถรู้ธรรมะได้และพระองค์จะเสด็จไปโปรดหรือว่าดูความสวรรค์นรกอะไรตัวไหนนี่ฮะจะดูด้วยทิพยจักรสุเราเรียกว่าทิพยจักรสุอีกแนวหนึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญานก็เป็นทิพยจักรสุเหมือนกันฮะแต่เป็นการดูกรรมดูความแตกต่างของสัตว์ทั้งหลายซึ่งในด้านกําเนิดในด้านรูปร่างภูมิธรรมสติปัญญาวัสนาบา ร, รมีทําไมแตกต่างกันเนี่ยก็ดูด้วย ปัญญาข้อ น, นี้แต่เราเรียกว่าจุตูป ป, ปาฏิญาณปัญญาที่รู้การจุติการอุบัติของศาสตร์ทั้งหลายว่าเป็นไปต่างกรนอันนี้เรียกว่าทิพย ป, ปจักษสุนะฮะเป็นตาทิพย์แต่ก็เอ่อไม่ใช่ว่าเอ่อทิพย์อยู่ตลอดนะโดยปกติก็ตาธรรมดาเนี่ยเวลาคราวจะใช้จึงจะเป็นทิพย์ขึ้นมาคือน้อมใจใช้ก็เรียกว่าบริการเพื่อทิพยประจักษสุแล้วก็จะใช้ทิพย ป, ปจักษ์ุคล้ายๆกยับหมุนเครื่องโทรทัศน์หรือเปิดเปิดเครื่องโทรทัศน์เนี่ย เ, เคยมีตัวอย่างพระอรหันต์สององค์ท่านลงมาจากภูเขาคิชกุตคือพระลักขณะกับพระโมคคัลลานะท่านลงมาจากภูเขาคิชกุตด้วยกันพระลักษณะจริงบวชก่อนพระโมคคัลลานะนะฮะเป็นพวกกลุ่มของโบราณชนดินคือพวกฤษีพันรูปเนี่ยเดินมาสององค์องค์หนึ่งก็เดินมาเฉยๆแบบพระหลวงพ่อธรรมดาพระโมคคัลลานะนั้นเดินมาแล้วก็ท่านก็แย้ม คือพระอาหารหันต์เนี่ยเขาบอกไม่ยิ้มนะฮะระหารจะไม่ยิม้มไม่ยิงพันหัวเราะแต่ว่าจะมีการแย้มเฉยๆแย้มก็คงจะคงจะอะไรเขายิ้มเห็นแก้มแย้มเห็นอะไรฟันอะไรสํานวนเขาเนี่ยก็คงจะไม่ถึงกับยิงพันหัวเราะแบบทั่วๆไป พระละกณาก็ถามว่าทําไมจึงแยมเพราะพร ะ, พระอรหันต์จะไม่แยมนะฮะแต่พระพักจะหน้าตาจะเอิบอิ่มมีความอบอุ่นแสดงแววถึงความบริสุทธิ์ความกรุณาแต่ก็ไม่ยิ้มพระมกขลานก็บอกให้ถามในพุทธสํานักพระลักณะท่านก็ถามเมื่อถึงพุทธสํานักพระโมกขลานก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ลงจากเขาขึ้นจักรูดัด้นท่านเห็นเปรตมีลักษณะต่างๆหลายครั้งหลายผล น, นะฮะนี่ก็แสดงไว้ในเปตะวัตถุ ในเปตสังยุทธ์ด้วยในเปตวัตถุด้วยเอ่อก็แสดงให้เห็นว่าพาระาอรหันต์ทั้งสองรูปนั้นทั้งก็มีที่ไปจากสุ่ด้วยกันนะแต่องหนึ่งไม่ใช้คล้ายๆกับเดินถือเออโทรทัศน์กระเปา๋าหิว้วมาคนละเครื่องอ่ะองค์หนึ่งไม่ใช้องค์หนึ่งใช้แล้วก็เห็นเทีไปจากสุจึงจึงอยู่ที่ที่การใช้ในยามปกติก็คือตาธรรมดาอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธจักสุเป็นจากสุ ข, ของพระพุทธเจ้า เป็นจักสูตรของผู้รู้เป็นความรู้ถึงสัจธรรมทั้งหลายนะฮะจักสูสุดท้ายก็คือสมันตจักสุตแปลว่าจักสูตรรอบด้านซึ่งเป็นคุณสมบัติโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าหมายถึงพระสาพัญญยุติยานของพระองค์เพราะฉนันคำว่าจักขุกรณีจึงหมายถึงว่าสร้างไอตัวปัญญาที่เกิดขึ้นมาภายในจิตคือชำระ ก, กิเลสแล้วก็ทาลายกิเลสออกมาก็ผุดขึ้นมา เราเรียกว่าจากักขุกรณียานากรณีเป็นยานความรู้อยานเนี่ยมันก็มันมีคำคล้ายอยู่อีกคำคือฌานนะฮะานิชอกรเจอสระานนหนูแล้วก็ยานเนี่ยก็คือยอผู้หญิงสระานนเนนเอ่อคุณลักษณะแตกต่างกันชานเีเป็นผลของสมาธิฌานเป็นผลของสมาธิที่ปฏิบัติมาโดยลำดับเมื่อนิวรณสงบระงับ ในขั้นแรกก็เริ่มเป็นฌานแล้วแต่อีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงตัวเหตุนะคือฌานเนี่ยมันจะมีทั้งเหตุทั้งผลตัยจอกะเจรสานนุนะฮะในส่วนเหตุนั้นก็คือตัวกรรมาฐานน ะ, ะที่เราเรียกว่าอารามานูปนิชานคือเพ่งอารมณ์ได้แก่สมถกรรมาฐานคือทำใจสงบนี่ก็เป็นฌานเหมือนกัน แล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าลักคนูปนิชานคือเพ่งดูลักษณะหมายถึงว่ายกเอานามารูปขึ้นมาพิจารณาเห็นความจริงตามสใจลักอันนี้ก็เป็นฌานแต่ว่าเป็นฌานส่วนเหตุส่วนฌานส่วนผลก็คือจิตที่สงบจากนิวรณิวรณ์ห้าประการแล้วจนถึงฌานระดับหนึ่งที่เรียกว่าอรูปฌานก็เป็นความละเอียดประณีตของจิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ แล้วก็เปลี่ยนไอสิ่งที่เป็นอารมณ์ไปโดยลําดับจนในที่สุดจะเข้าถึงอรูปฌานที่สที่ที่ที่เราสวดกันนะฮะที่เราสวดกันอะไรมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่อย่างตะ ก, กี้ที่อาจารย์ทำก็คือขันห้าเนี่ยก็คือคนทั่วไปแล้วก็ขันหนึ่งก็คือท่านที่เป็นอสัญญีสัตว์เรเรียกพรหมลูกฟักนะฮะคือท่านได้บรรลุฌานเนี่ยฌานที่ว่าเนี่ยแล้วตอนท่านตายนั้นท่านตายใน ในฌานคือเข้าสมาบัติแล้วก็ตายอยู่ในฌานเวลาเกิดมันจะเกิดมีมีเพียงขันเดียวคือมีเพียงรูปประขันม่ลักษณะมันก็ท่อนไม้ เ, เราเรียกกันว่าพรมลูกฟักพรมลูกฟักในหนังสือวรรณคดีพระพุทธศาสนาโบราณก็มีชื่อเรีย ก, ยกยและขันสี่ก็คือท่านที่ได้อารูปฌานสี่ แล้วก็ตายด้วยรูปฌานก็จะมีขันเพียงสคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปไม่มีรูปอาการก็คือคือคล้ายๆกับเป็นกลุ่มพลังงานนะฮะเป็นกลุ่มพลังงานอย่างหนึ่งส่วนญาณ น, นั้นเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นมันมันมันเหมือนอะไรนะฮะมันคล้ายๆกับไอญาณอย่อนๆของไอแซคนิวตันที่แกเกิดความรู้เรื่องไอไอโลกดึงดูดอ่ะคือด้วย พอเห็นในลูกแอปเปิลมันหล่นลงมาแล้วเกิดยานความรู้ขึ้นไปรับก็เห็นว่ามันน่าจะหล่นขึ้นไปข้างบนบ้างไม่น่าจะหล่นลงมาข้างล่างแล้วก็ในที่สุดก็ได้ความรู้เรื่องสนามแม่เหล็กเรื่องความตึงดูดของโลกอะไรเนี่ยการ น, นี้ก็เป็นยานอย่างอ่อนๆนะลักษณะของยานจึงเป็นผลที่มันคิดเรียกว่าผุดขึ้นมานะฮะมันผุดขึ้นมาเลย ถ้าจะอุปมาง่ายๆอะไรนะครับค่าๆก็เราเอาของอะไรมาผสมกันเยอะแล้วนะฮะพอของนั้นมันผสมได้ส่วนแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเป็นรสเป็นอ ย, อย่างหนึ่งคล้ายๆกับสูตรทางเคมีหรือว่าการทำกับข้าวก็ได้นะฮะมันจะเกิดผุดขึ้นมาอีกรสหนึ่งของหลายอย่างเราใส่เข้าไปแล้วพอพอปรุงข้าวเครื่องกันดีแล้วมันจะผุดขึ้นมาเป็นรสอีกรสหนึ่งนี่คือลักษณะของอยาง อาณในความหมายทางศาสนาจึงมีอยู่หลายระดับแต่ว่าญาณในที่นี้เน้นถึงญาณที่เกิดในอริยสัจ ท, ทั้ง4คือเป็นความรู้ซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการก็แบ่งออกเป็นเป็นสญาณด้วยกันซึ่งจะพูดรายละเอียดในตอนตอนหลังแล้วกออ็อุปสมะคือมันสงบสงบอะไรนะฮะสิ่งที่มาเป็นปัญหาในชีวิตก็คือกิเลสกระทุก ที่เราพูดกันว่าโบราณในท่านเก่งท่านแทนที่ท่านจะไปนับให้มันยุ่งยากท่านก็บอกว่าเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์คือพูดที่สองเพลิงเลยไอ้สิ่งที่ที่เรากลัวที่เราขยาดที่สุดนั้นก็คือกิเลสกับทุกข์แล้วส่วนมากเรากลัวทุกข์นะไม่ค่อยกลัวกิเลสซึ่งตามปกติแล้วไอ้ทุกข์มันก็เป็นผลของกิเลสพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงความดับทุกข์แทนที่จะพูดถึงดับกิเลส ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงในชั้นของการปฏิบัติไปไปดับไม่ได้หรอกทุกมันต้องดับที่กิเลสคือดับที่ที่ตัวเหตุของมันนะอ่ะ อ, อุปสมายะก็คือเพื่อความสงบระ ง, งับระ ง, งับอะไรนะฮะเพื่อความสงบอะไรก็สงบกิเลสกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่างๆซึ่งในที่นี้ทรงเน้นไปที่ตัณหาสามประการ ตัณหาสารประการก็อย่าลืมนะมันมันก็มัน ก, ก็คือกิเลสคือโรคปวดหลวงนั่นเองแหละแต่ว่ า, าพูดถึงตัวซึ่งมันทําปฏิกิริยาต่อจิตแล้วก็ทําจิตให้ดิ้นให้สายให้โกรนกระวายไปด้วยแรงของกิเลสเหล่านั้นก็เรียกว่าตัณหาหรือบางครั้งบางคราเราใช้คําว่าความทะเยอความดิ้นรนทะเยอทยานอยากของใจซึ่งหมายถึงว่าใจก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วก็ถูกตัณหาข้าครอบนาเต็มที่ อุปสมายะก็คือสงบกิเลสเพราะสงบกิเลสได้ความทุกข์มันก็สงบนะฮะความทุกข์ก็สงบไปเพราะว่าความความทุกข์เป็นผลผิดผลของของกิเลส่างอย่างที่ว่ามาแล้ว อ, อุปสมายะสัมโบธาญาก็คือเพื่อความรู้อันยิ่งหรือบางทีเราก็พูดถึงว่าจัดสรู้นะฮะสัมโพทะเนี่ยแปลว่าปัญญาเคลื่อนจัดสรู้ซึงก็หมายถึงว่า คำว่าสัจรูก็เหมือนกันมีลักษณะเหมือนกับญาณนนะที่ว่าแล้วนะเป็นความรู้ที่มันเกิดผุดขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรเนี่ยชัดเจนมากเลยคือเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นมาเองดังนั้นในช่วงนี้จึงถือว่าไม่มีครูบาอาจารย์นะช่วงการจัสรูอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าแสดงเจ้าพ่ตอนจัสรู้เท่านั้นเองว่าไม่มีครูบาอ า, อาจารย์อะไรนแต่ว่า ท่านอาลาดาบทุทกดาบทก็ดีท่านฤาษีอะไรต่างๆที่ท่านเรียนครูวิศวามิตรอะไรต่ออะไรเนี่ยพระเจ้าก็ใช้คาว่าอาจารย์เราอาจารย์เราต้องดูให้ออกนะไม่ไม่ใช่ไปปฏิเสธหมดแต่ว่าช่วงการจัดสรุเนี่ยไม่มีใครเคยสอนพระองค์เป็นการปฏิบัติของพระองค์คนของพระองค์แล้วก็เลือกเฟ้นของพระองค์เองแล้วก็ในที่สุดก็กาหนดทิศทางได้ในจัดสรุสัมโบทายอนิบานายะเพื่อความดับ ก็คือนิพานนะฮะนิพานนั้นได้โปรดเข้าใจว่าเป็นคำที่มันมีอยู่แล้วในสมัยก่อนเนี่ยเป็นคำที่มีอยู่แล้วออสันสกฤตก็ตออกมาจากนิราวานะวานะก็คือเครื่องร้อยรัดนะฮะหมายถึง เ, ออเป็นชื่อที่เรียกทวารนทวัร น, นที่มันมันไปพันต้นไม้แล้วมันก็รัดต้นไม้น้นไว้ออนิราวานะก็คือไม่มีเครื่องร้อยรัดซึ่งหมายถึงว่าไม่มีสิ่งที่ผูกพันใจ ก็ได้แก่ไม่มีกิเลสนั่นเองไม่มีกิเลสที่ที่มาปลูกพันธุ์จิตใจเอาไว้แล้วบางครั้งเราก็หมายถึงดับแบบธรรมดานะฮะดับไฟเนี่ยมันก็ดับอะ่ะหมายถึงใช้คํำอ น, นิพานเหมือนกันแต่พอเรามาใช้ในความหมายทางศาสนาหมายถึงว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เอ่อนี่คือตัวผลนะฮะตัวผลที่เกิดขึ้นมาจากการสัจสรู ข, ของพุทธเจ้าก็คือทำจักรสุให้บางเกิดขึ้นทำยาให้บางเกิดขึ้น ตามให้ก่อให้เกิดเป็นความสงบ ก, ก่อให้เกิดความรู้ยิ่งแล้วก็ก่อให้เกิดความรู้ดีและความดับเสร็จแล้วก็ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คือข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงผลอย่างว่าเนี่ยฮะผลอย่างว่านั้นให้ลองสังเกตนะว่ามันก็เป็นเหตุเป็นเป็นผลการโดยความหมายแล้วก็คือปณิพานนั่นเอง ก, ก็ได้แก่อริยมรตมีองค์8ประการ อริยมรตมีองค์8นะอริโอัาถังกิโกมโคัคโผคืออริยมรตมีองค์8ประการก็หมายความว่าอริยมรคนั้นมีองค์เดียวหรอกมีทางเดียวแต่ว่าองค์ประกอบ8อย่างคล้ายๆกับกับข้าวอย่างหนึ่งฮะมีเครื่องปรุง8อย่างซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเราต้องการรสของอาหารนั้นก็ต้องใส่เครื่องปรุงตามสัดส่วนครบทั้ง8บริบูรณ์แล้วก็จึงจะกลายออกมาเป็นอาหารนั้นอริยมรตก็มีลักษณะอย่างนั้นเอ่อ จะต้องมีการปฏิบัติอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นมัคคสามังขีหรือมัคคสามัคขีมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะที่จริงองค์นี้ไม่ใช่ตัวมัคนะฮะองนี้ไม่ใช่ตัวมัคตัวมัคจริงๆคือสัมมาญาณนะแปลว่าความรู้ในทางที่ชอบอซึ่งอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อกล่าวโดยองค์ธรรมธรรมดานะเพราะว่า เคยเคยพูดไว้โดยพิสดารแล้วเฉพาะในที่นี้ก็จะพูดเฉพาะส่วนที่ที่ที่เป็นคำแปลโดยความหมายก็ก็คือหนึ่งสัมมาทิฐิทีแปลว่าปัญญาเห็นชอบแต่ถามมาเห็นอะไรคำว่าเห็นในที่นี้ไม่จะเห็นด้วยตานะไม่จะเห็นด้วยตานี้เห็นด้วยตาปัญญาก็ได้แก่เห็นอริยสัจสีซึ่งความเห็นในที่นี้จะต้องเป็นความเห็นระดับญาณเห็นอริยสัจสีด้วยญาณ คือเมื่อเมื่อปฏิบัติไปนี่ยตัวความรู้มันจะเกิดผุดขึ้นมาภายใน ใ, นใจแล้วจะไปรู้อริยสัจทั้ง4ครั้งแรกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในอริยสัจรู้ว่าไออันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นส ม, มุทยัยนี่เป็นนิโรดนี่เป็นมรรคีนครั้งแรกก็เรียกว่าสัจจญาณคือรู้ความจริงแต่ครั้งที่สองมันก็ต้องวิเคราะห์แล้วว่าอันนี้มันจะทํำยังไงกับมันก็รู้ว่าทุกข์เนี่ยต้องกำหนดรู้เฉยๆ สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรต้องเจริญต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต่อไปก็ยางก็เกิดขึ้นผุดผุดขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแลนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรี่ควรเจริญได้เจริญแล้วกอนนี้ก็สรุปรวมเป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปก็เป็นสัมมาสังกัปปะคือความดำมริความคิดในทางที่ชอบ ซึ่งก็หมายถึงความคิดที่จะดึงกายจิตออกไปจากกามเขาเรียกว่าเนคขามาสังกัปปะโือดึงกายจิตออกไปจากอะไรจากกามก็คือจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสที่น่าใคลายน่าปรารถนาน่าพอใจ 2. ก็อภยาบาศวิตกคือความจึกนึกในทางไม่พยาบาทก็มองเห็นโทษของความโกรธความไม่พอใจความไม่ยินดีความพยาบาทความมาคาดแล้วก็ จดนึกที่จะดึงกายจิตออกจากความคิดเหล่านั้นอวิญญาณสาสังกปะคือความดําริในทางไม่เบียดเบียนมองเห็นโทษของการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นนะฮะซึ่งในแง่ของศาสนานั้นก็มุ่งปฏิบัติท่านจะเห็นว่าในชั้นแรกก็มุ่งไม่ให้เบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นชั้นที่สองก็มุ่งไม่ให้เบียดเบียนตนเองก็เรียบร้อยไป แล้วพอพอขจัดสิ่งที่เบียดเบียนออกหมดมันก็กลายมาเป็นกรุณาเพราะว่าไอ้ความเบียดเบียนเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกับกรุณาเมื่อขจัดความเบียดเบียนออกไปใจก็จะมากกับด้วยกรุณาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าที่เราพูดว่าการุณามหมันโบมีความกรุณาดุจพ่วงมหมานบเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเบียดเบี ย, บยนอยู่เลสัมมาทิฏฐิปัญญานเน้นชอบกับสัมมาสังกปะความดําริชอบมันก็คือตัวปัญญา ซึ่งเวลาเรียงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาเรียงแบบใจสิขาทรงเรียงศีลสมาธิปัญญาพอเรียงแบบองค์อริยมรเรียงแบบปัญญาศีลสมาธิทำไมาจึงเรียงอย่างนั้นเพราะว่าการเข้าหาศาสนาจะต้องเริ่มที่ปัญญานะจะต้องเริ่มที่ปัญญาจะต้องสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นระดับหนึ่งคือความเห็นจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยที่สุดก็เอ็นชอบในกฎของกรรม หรือเชื่อเห็นว่าพระพุทธเจา้าจัดสรู้จริงอย่างเงี้ยตอพอที่จะกรุยทางเข้าหาข้อปฏิบัติที่ประนีตขึ้นไปได้แต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็เริ่มมาที่กายกักบวาจาคือที่ชั้นของศีลก่อนต่อไปก็สัมมาวาจารีว่าเจราจาชอบก็หมายถึงเว้นบัญจัตทุจริตศีนะฮะก็พูดคำสัตว์คาจริงคาเสริมสร้างสามคัคคีคำไพเราะอ่อนหวานนะคที่มีประโยชน์ สมารกรรมตะการงานชอบมันก็ไม่มีอะไรเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่นก็คือเว้นจากการเบียดเบียน บ, บรรทุศไรชีวิตสัตว์ก็งดเว้นการถือสิ่งของที่เจ้าของเข้าไปในให้แล้วก็เว้นจากการบรรพฤปิดในทางกามกับสมาชีวะรือการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ สมาชีวานั้นแปลกนะฮะทรงทรงใช้คําสั้นๆน่ะเองว่าดูกนภิกษุทั้งหลายรญาสาวกในประาศาสนานี้ละมิจฉาชีพแล้วดํารงชีวิตด้วยสัมมาชีพทั้นั้นเองคือใช้คําสั้นๆเพราะว่าอาชีพผลมันไม่เหมือนกันเนะ่ยเวลาไปพูดเรื่องอาชีพจะพูดไว้ที่พระธรรมเทศนาสูตรอื่นไม่ได้พูดที่รายละเอียดไว้ยอย่างนี้ คืออย่างว่า so, อุบาสกอุบาสิกาเนี mm ่ยอาชีพอย่างเงี้ยเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพระอาชีพมันเหมือนกันอะในสามาชีพของคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นมิจฉาชีพของคนกลุ่มหนึ่งก็ได้พระบิณทบาทเนี่ยเป็นสามาชีพพระโยมบินทะบาตเนี่ยเป็นมิจฉาชีพไปเลยอ่ามันก็มันก็พูดยากฮะฐานยามอย่างเงี้ยฐานยามก็ยืนอยู่เฉยเฉยเนี่ยเป็นสามาชีพแล้วแล้วคนทํางานอื่นไปยืนเฉยๆมันก็เป็นมิจฉาชีพไปล้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพ จึงไม่ได้แสดงไว้ไปแสดงไว้ชี่อื่นเป็นเจาะกันไปเป็นรายๆกันไปแหละแต่สรุปว่าคือให้ละการเลี้ยงชีวิตในทางมิจฉาชีพมาดำรงชีวิตด้วยสัมมาชีพตามสมควรแก่ฐานะของตัวข้อขมากรรมตะถ้าหากว่าชาวบ้านก็ช้ากามเมเฉยๆนะฮะงดเว้นจากศีลข้ อ, อ, อประพฤติผิดในทางกามแต่นั้นเอง คื อ, อยังมีสามีพัญญาได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเป็นองค์อรรยมรตสมบพระแล้วข้อนี้จะเปลี่ยนเป็นอภ ร, รัมเลยข้อที่สามจะเปลี่ยนเป็นอภรรมคือเปลี่ยนเหมือนกับสีนูโบส์ข้อที่สนะแล้วต่อไปก็คือสัมมาวายามะได้แก่ความพยายามในทางที่ชอบให้เราสังเกตนะฮะความพยายามชอบในความในองค์มรต น, นไม่ไดไ้ไม่ได้เกี่ยวกับ ง, งานอาชีพนะ ถ้างานอาชีพมันอยู่ในสัมมาชีวะแล้วแต่ว่าสัมมาวายามะในองค์อริยมรรคหมายถึงความเพียรทางจิตเลยไม่ใช่ความเพียรทางกายเป็นความเพียรทางจิตไม่ใช่เรื่องอาชีพเพราะอ า, อาชีพจะอยู่ในชั้นศีลเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องใจโดยใช่ปะสมองค์นี้คือสัมมาวาจาเจนะจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบก็คือเรื่องของศีลเรื่องของศีนนะครท่านจะเห็นว่าออบางแห่งเราเรียกว่า อาชีวมัตตเกษีลคือศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ปดมนมี8ข้อด้วยกันนะครับ ม, 3, มีวาจาสามมีวาจาสี่มีกายสามีอาชีวะนึเรียกอาชีวะมัตตเกษีลเป็นศีลอย่างหนึ่งแต่ชาวบ้านไม่ค่อยกล้ารับกันเท่าไหร่เพราะมารักษายากวาายากว่าศีล8รักษายากกว่าศีนแปดต่อไปสัมมาวายามะก็คือ กล่าวโดยสรุปนะฮะกล่าวโดยสรุปก็คือพยายามสํารวมระวังมาให้บาปเกิดขึ้นภายในจิตพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วพยายามสร้างกุศลความดีให้บังเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็พยายามรักษากุศลคือความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมไปซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปคำสอนท่านอาจจะเคยพบในที่บางแห่งนะฮะจะทรงใช้คาว่าปหานะภาวนาละชั่วประพฤติดีพูดง่ายๆนิดเดียวเอง ละชั่วประพฤติดีจะทำยากจังพืนนี้เดียวเท่านั้นฮะละชั่วประพฤติดีเท่านั้นเองสองอย่างออซึ่งบางครั้งจะใช้คำว่าประพฤติดีเฉยๆเพรา ะ, ะนั้นแนวของสัมมาวายามะคือพูดในแนวว่าละชั่วประพฤติดีแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นมันเป็นการทวนกระแสกิเลสนะทรงใช้คำมีคำเข้าไปประกบไป คือหต้องปลูกฝังความพอใจในการละชั่วประพฤติดีสองต้องใช้ความพยายาม3ต้องกระทําคําเปลี่ยนติดต่อสี่ละชั่วได้ขนาดไหนต้องอย่าให้พลาดท่าอีกแล้วก็ทําความดีได้ขนาดไหนต้องรักษาไว้ใช้คําประกอบเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติข้อต่อไปก็คือสัมมาสติสติแปลว่าตั้งสติระลึกในทางที่ชอบซึ่งก็หมายถึงการระลึกในสติปฐาน4ที่เราเรียนกันเนี่ย สติปัฏฐานสีนั้นอย่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันสีข้อมันหมดแล้วนะฮะมันหมดแล้วไปสรุปอะไรไว้ทั้งหมดในสติปัฏฐานสี่ก็ในในกายนั้นก็สรุปกายทั้งหมดไว้สรุปกายทุกส่วนของความเป็นกายเนี่ยสรุปวัตถิกายทั้งหมดแล้วทั้งกายเรากายคนอื่นมันหมดแล้วในส่วนที่เป็นรูปะไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้ภูเขาต้นไม้ไปติดอยู่คํามากายหมดอนะ และเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่ทุกข์กไม่สุขอะไรเนี่ยฮะแล้วก็ต่อไปก็คือจิตสภาพความเปลี่ยนแปลงทางจิตทุกวิธีเลยฮะก็ไว้ในที่แห่งเดียวกันและคําว่าธรรมเนี่ยฮะมันสรุปที่ธรรมชาติคือที่เป็นกลางกลางที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลไว้ทั้งหมดเลยในในคำว่าธรรมเราดูาเอ๊ะทำไมสี่ข้อมันน้อยไปที่จริงไม่น้อยมันครอบหมดเลยฮะครอบหมดไม่มีอะไรนอกจากนอกจากสติปัฏฐาน ที่อาจารย์ทั้งหลายมักพูดกันว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เจริญสติปัฏฐานมันก็ใช่เจเริญอะไรก็ได้อนาปานสติก็ได้เพราะมันอยู่ในสติปัฏฐานหมดแล้วแล้วก็ไปสรุปลงที่สติปัฏฐานสติปัฏฐานในการเจริญก็มีอยู่สองชั้นนะฮะชั้นแรกก็คือทําใจสงบเป็นสมาธิระดับสมถะใช้อารมณ์21อารมณ์ด้วยกันแล้วก็ ชั้นที่2ก็คือยกไอสิ่งที่พอพอใจสงบนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามจะมาดูที่ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปแล้วก็ดูที่ความเสื่อมและในที่สุดก็จะมองเห็นความเสื่อมจนปล่อยวางความยึดติดต่างๆเลาไปได้ดังนั้นเวลาพูดโดยสรุปว่าให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมนี่ว่าสัจติว่ากายสัจต่ว่าเวทนาสัแต่ว่าจิตสัจต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคล ต, ตัวตนเราเขาแต่ประการใดเคยจะปล่อยวางความยึดถือลงไปได้ ชั้นต่อไปก็คือตัวสมาธิ ส, มสมัมมาสมาธิสมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบอย่าลืมนะฮะพวกพวกนี้8ดข้อมันมีข้างหนึ่งคือผิดหมดนะฮะคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันผิดตั้งแถบอีกข้างหนึ่งจะมีผิดอยู่มันมีสัมมาทิฏฐิมันก็มีมิจฉาทิฏฐิเพราะงั้น ที่ตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิก็คือมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามกับสัมมาสังกัปปะความดำริชอบก็คือมิจฉาสังกัปปะเช่นความดำริในการแสวงหาวัตถุอันเป็นที่ใคร่ความดำริในการจองล้างจองผลาญฆ่ า, าล้างโคตรอะไรแต่ไรความเห็นผิดนะความคามคิดผิดอย่านะั้เพราะว่ามันมันมีแต่สร้างปัญหาตลอดอีกฝั่งหนึ่งคือผิดนะฮะอย่าลืมว่าที่จริงมันมีอยู่สองสายสายถูกกับสายผิด สายผิดก็มีองค์8เหมือนกันนะสายถูกก็มีองค์8เหมือนกันสัมมาสมาธิก็คือการตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบเป็นผลจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานนะฮะโดยตรงเลยเปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติที่เริ่มที่ความเพียรนะฮะเริ่มที่ความเพียร เ, เริ่มที่สัมมาปยามะคือความพยายามชอบแล้วก็ระลึกชอบแล้วก็ต่อมามันก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธินี่ท่านจะเห็นว่าพอได้บรรลุ รูปประชาน4ีเนี่ยก็อาศัยรูปประชานเป็นบาตความคิดมันก็ชอบมันก็กลายเป็นสัมมาสังกัปปะแล้วก็หมุนกันฮนะให้ลองสังเกตว่ามาร์กในที่จริงมันไม่ได้แยกออกจากกันความเห็นชอบทําให้เราคิดชอบความเห็นชอบทําให้เราพูดชอบความเห็นชอบทําให้เราทําากรงานชอบความเห็นชอบทําให้เราเลี้ยงชีวิตชอบความเห็นชอบเราทำให้เราพยายามชอบความเห็นชอบทําให้เราระลึกชอบ ความไอ้ความเห็นชอบทําให้สติเราตั้งมั่นชอบความนาริชอบก็เหมือนกันนะความนาริชอบทําให้เห็นชอบความเห็นชอบทําให้ดําริชอบมันก็อิงกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้แยกออกจากกันปัญการปฏิบัติในมรดัยมรนึ่งได้นะฮะเช่นในชั้นศีลห้าท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราก็ได้สององค์นะฮะคือสัมมาวาจาสัมมา ก, กัมมันตะแต่ก็ไปแถมข้อสุราก็อีกข้อหนึ่งตอนนี้ก็มีสัมมาทิฐิระดับหนึ่งอยู่ คือความเห็นชอบระดับหนึ่งอยู่มีความดําริชอบในระดับหนึ่งอยู่มีความพยายามชอบในระดับหนึ่งมีความระลึกชอบในระดับหนึ่งมีจิตตั้งมั่นชอบในระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้แยกออกไปโดยเด็ดขาดแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วนะฮะชั้นของการปฏิบัติที่เป็นองค์มรรคสมบูรณ์จริงๆทุกข้อนะทุกข้อจะต้องเข้าถึงเป้าหมายของเขา คือหมายความว่าปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์ในในแต่ละเป้าอย่างสัมมาวาจา ก, ก็หมายความว่ามีวาจาสัตย์ยิงโดยสมบูรณ์มีพูดเสริมสร้างสามารถีโดยสมบูรณ์พูดไพเราะอ่อนหวานโดยสมบูรณ์แล้วก็พูดคําที่มีประโยชน์โดยสมบูรณ์เมื่อปฏิบัติได้สมบูรณ์ก็กลายเป็นจักขุกรณีญานกณีอย่างที่ว่าตะกี้เนะี่ยคือทําญาณให้บังเกิดขึ้น ทำยานความรู้ให้บังเกิดขึ้นเป็นสัมมาญาณนะเป็นความรู้ในทางที่ชอบนี้ก็เป็นข้อที่แต่ ว, ว่าในธรรมจักรไม่อธิบายไว้นะฮะเปอธิบายไว้ในมัรคคภิพังกระสุนแม่อธิบายไว้ในมหาสติปัฏฐานกระสุนเพราะว่าท่านปัญจวัคคียนี้ไม่ใช่มือธรรมดาไม่จําเป็นจะต้องไปชี้แจงอะไรมากมายก็ทรงไปกระจายไว้ในที่อื่นว่าองค์มรรคในความหมายนั้นก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับ บันี้ก็จะแค่นี้กัน